ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ง่ายไม่ยาก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 สติคือความระลึกได้เจตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในนี่แหละต้องระลึกได้ต้องระลึกอยู่ระลึกอยู่เสมอระลึกว่าเดี๋ยวนี้ก็ระลึกว่าเราภาวนาพุทธโธเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งรวมใจเข้ามาโสจุด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 ทำไมจึงว่าเรื่องเล็กมันเรื่องในโลกมันไม่ใช่เรื่องละนอกโลกการภาวนาละกิเลสหรือทำจิตให้สงบระงับเพื่อตัดบ่วงห่วงอะไรกิเลสตัณหาในใจของเราเป็นเรื่องใหญ่ที่เราทุกคนทุกดวงใจทั้งหญิงชายเด็กหน่มแก่คเลหัดและนักบวช จะต้องมุ่งลองไปจุดนี้ให้มากที่สุดเทนี้เมื่อหนาวมันก็มีเป็นวัดขัดยมูกไปด้วยก็ะยาไปเป็นทุกข์เป็นร้อนกับเป็นวัดขัดยมูกยกจิตใจให้มันสูงกว่ารูปนามกายใจไม่ให้มันมายึดถือว่าเราหนาว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 ในเมื่อเวลาหนาวก็ตามร้อนก็ตามฝนก็ตามความจริงร้อนหนาวเขาไม่ได้เป็นทุกน้าดินน้ำไฟลมเขาไม่ได้เป็นทุกเจตใจของเรานี่แหละมันเป็นผู้ทุกไปยึดไปถือยึดมั่นถือมั่นมากเท่าไหร่ก็ทุกมากเท่านั้นถ้าไม่ยึดไม่ถืออะไรก็เรียกว่าพ้นทุก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 เป็นไปไม่ได้แล้วเจตใจไม่ภาวานาพุโทโธไม่บรรลุถึงคำว่าพุโทโธจึงมาเป็นทุกข์เป็นรอนกับธาตุสี่ขันห้าอายตนะทั้งหลายเพราะความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเรายึดของของเหล่านี้แหละเป็นตัวสำคัญจงทาใจของตนให้สงบ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 รวมกำลังเข้ามาตั้งในจิตใจให้ได้ทุกลมหายใจจึงจะเข้าใจในธรรมปฏิบัติสติให้มีความระลึกโยในตัวในใจเมื่อเกิดความทุกข์อันใดขึ้นมาในร่างกายสังขารนี้เป็นต้นว่าเดี๋ยวนี้เรียก ว, ว่าหนาวเย็นหนาว เมื่อความทุกข์อย่างนี้บังเกิดมีขึ้นนั่นท่านว่าทุกข์อย่าไปบน่นอดทนเอาถ้าใครจำได้ว่าทุกข์ไม่ต้องอดทุกข์ต้องอย่าไปบน่นอดทนเอาได้ผู้นั้นก็เข้าใจในธรรมะ เราจะมาบ่นว่ามันหนาวมากคืนนี้หนาวมากเท่านั้นเท่านี้ว่ากันไปมันว่าหรือใครว่าดูให้ดีในใจเจตของเราเป็นผู้ว่าธาตุดินเขาไม่ได้ว่าธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไม่ได้ว่าเจตหลองเจตยึดถือมันไปว่าว่าหนาวหนาวก็สมมุติเอา ตัวหนาวมันไม่ได้ล่องเปลา่ปลาเปาเหมือนคนว่าข้าพเจ้าหนาวนะลมเหนือมาลมใต้มาอะไรว่ามันก็นหนาวนะเขาว่าหรือเขาไม่ว่าธาดดินเขาว่าที่ไหนดูแผ่นดินภายนอกสิธาดน้ําเขาก็ไม่ว่าน้ําเขาจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่ว่า ธาตุไฟธาตุลมเขาก็ไม่ได้สมมุติตัวเขาใครเป็นคนสมมุติมนุษย์หลงไปสมมุติเมื่อตัวเองสมมุติเกินมาตัวเองก็หลงสมมุตินั้นเนลท่านจึงให้ภาวนาทำใจให้สงบจะได้พิจารณาผมขนเล็บฝันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุง สิ่งปฏิกูลโสโครกในร่างกายสังขารของตัวเองจะได้พิจารณาให้มันเห็นแจ้งเมื่อมันไม่แจ้งมันยังหลงโมหะอวิชชาอยู่ก็มาหลงไหลในรูปร่างกายตัวเองนั่นแหละเป็นข้อแรกเมื่อไม่โดไม่พิจารณารูปปะขันร่างกายของตัวเองมันก็หลงไหลไปตามภายนอก เมื่อหลงไหลในรูปของตัวเองกิเลสมารสังขารมานภายในนี่แหละมันก็หลอกลวงให้หลงไหลไปในรูปคนอื่นเกิดความรักไร่พอใจในรูปนั้นเจตหลงนี่มันก็มาคิดเอาว่ารูปที่เราเห็นนั่นแหละจะให้มีความสุขความสบายหาได้รูปไหมว่ารูปนั้นมันได้มาจากอะไร ไม่ใช่ได้มาจากสิ่งปฏิกูลโศโครกทุกคนหรือคนเราไปนอนในคันมารดาในท้องแม่ทุกคนไม่ว่าหญิงชายนักบวชนักบ้านไปนอนในท้องแม่น่ะมันสวยสดงดงามที่ไหนโศโครกปฏิกูลเหม็นสาบเหม็นข่าว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 เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ต้องไปหลงว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็ธาตุดินเขาเจ็บไข้ได้ป่วยต่างหากเล่าธาตุน้ําเขาเจ็บไข้ได้ป่วยธาตุไฟธาตุลมเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บเราไปหลงหลงว่าเราเจ็บเราไข้เราไม่สบายหลงธาตุดินน้ําไฟลง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 จิตไม่ภาวานาจิตไม่ละกิเลสความโกรธในใจจิตไม่ละกิเลสความโลภในใจจิตไม่ละกิเลสความหลงในใจจึงได้มายึดหนาวยึดร้อนยึดว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราตัวสักกายทิฐิความยึดกายถือกาย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 ก้มลงไปจนถึงพื้นใช่ไม่ได้เยืดตัวขึ้นทำมันสูงสองระลึกโยในตัวในใจอย่าให้ขี้เศร้าเหงานอนเข้ามาทับถมได้จิตใจภาวนาโยพุทโธในใจอยู่ที่ไหนจิตใจดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนในเวลานี้รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจนั้น อย่าไปคิดว่าคนอื่นผู้อื่นจะมาช่วยแก้ไขให้ไม่มีแม่องค์พระพุทธเจ้าของเราในสมัยที่พระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่พระองค์ก็ทรงตัดว่าเราตถาคตก็เป็นผู้ชี้แจงแสดงตัดพระธรรมเทศนาให้สาวกทั้งหลายฟังสาวกทั้งหลายต้องนำไป ปฏิบัติบูชาภาวนานละกิเลสราคะโทสะโมหะของตนให้หมดไปสิ้นไปไม่ใช่เราตถาคตไปละกิเลสให้ท่านทั้งหลายเมื่อเราฟังคาข้อนี้ให้ดีเราก็เห็นว่าไม่มีผู้อื่นใดจะมาละกิเลสราคะโทสะโมหะให้แก่เราได้มันเป็นหน้าที่ของเราเอง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 รูปเปียบในอาหารนี่ฉันใดการสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนการประพฤติดีปฏิบัติชอบการทำความเพียรละกิเลสในหัวใจของตนก็เป็นหน้าที่ของตนโดยเฉพาะไม่มีใครจะไปช่วยได้เหมือนเราบริโภคอาหารเหมือนเราสูดลมหายใจเข้าออก เราไปเยิมจะโมกคนอื่นหายใจมันจะได้ที่ไหนจะโมใครผู้นั้นก็หายใจเราจะไปเยิมจะโมเขามาหายใจได้หรือไม่ได้เมื่อไปได้เราก็ต้องรวมความในใจของเราได้ทีเดียวว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนานั้นตนเองต้องตั้งใจขึ้นมา ว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่มีให้ใจเราท้อถอยในการปฏิบัตินั่งก็ภาวนาพุทโธยืนก็ภาวนาพุทโธเดินไปไหนมาไหนไปรถไปลาก็ภาวนาพุทโธรวมจิตใจเข้าไปภายในนั่นเองจะภาวนาบทใดข้อใดถูกกับจริตจิตใจของตนอันใดก็ได้ นึกถึงความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้เป็นทุกข์ความทัดท่าจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์อะไรก็ภาวนาได้ท้งนั้นไม่ใช่มีแต่พุทโถอะไรก็ตามเมื่อเรานึกเราจะเลินขึ้นมาแล้วพาให้จิตใจเราสงบตั้งมัน่นเกิดความสลดสังเวช ในความหลงในจิตในใจในตัวของเราได้แก้ไขกิเลสในใจของตัวได้นน่นเลยเป็นพระธรรมพระวีไนสัตถุศาสนาคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทุกคนแก้ตัวเองแก้ใจของตัวเองละกิเลสในใจเนยให้หมดไปสิ้นไป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 ทรัพย์สินเงินทองเลือกสวนไล่นาบ้านเรือนตึกลามชื่อเสียงหน้าตาเอาไปได้แค่ไหนตายแล้วมลแรงวันตอมปากมีประโยชน์อะไรจะมาหลงยึดในล่างในกายในหน้าในตานี่ทําไม จงภาวานาให้รู้แจง้งในจิตใจของตัวเองแก้ไขใจไม่ให้หลงไม่ให้มายึดเหลาวยึดล้อนความทุกข์อันใดบังเกิดมีขึ้นเป็นธรรมดาของโูกปัจขันเขาต้องเป็นอย่างนี้มาอย่างนี้เกิดแก่เจ็บตายเขาเป็นอยู่อย่างนี้แหละต้องให้กำหนดรู้พิจารณาให้มันเห็น ในใจของตัวเองแก้ไขให้ได้แก้ไขละกิเลสราคะตัณหาในใจของเราไม่ออกไม่ขาดอยู่เป็นคนไปทำไมตายเสียดีกว่ากินข้าวฮมันเปลืองเข้าสุขทาไมละกิเลสราคะตัณหาในใจไม่เด็ดขาดลงไปเอาฮะมันเด็ดขาด เกิดมาเป็นชายทําไมเกิดมาเป็นหญิงทําไมใจไม่กล้าใจไม่อาจหานใจไม่สามารถไม่ลุกขึ้นภาวนาพระพุทธเจ้าพระองค์ลุกขึ้นภาวนาดูสิพระองค์นั่งสมาธิภาวนาใต้ล้มไม่โพจนได้ตรัสรู้เป็นโพธิญาณโพพระพุทธเจ้าขึ้นในโลก ไม่ลุมหลงไปตามอำนาจกิเลสราคะโทสามโมหะอีกต่อไปพระองค์ละกิเลสพร้อมทางวาสนาได้หมดทาไมพระองค์ไม่ตายทำไมพระองค์อายุยืนตั้งแปดิปีเราจะภาวนาทำความเพียรละกิเลสในหัวใจของเรามันกลัวตายมันจึงพ้นไปไป็ได้อย่าไปกลัวมัน ตั้งใจขึ้นมาบริกรรมภาวานาขึ้นมายกจิตยกใจของตนให้สูงขึ้นอย่ามายึดแค่ว่าเรายังเด็กยังหนุ่มอยู่ยังไม่ภาวานาไม่ได้เด็กเด็กก็ตายได้คนหนุ่มก็ตายได้คนแก่คนชรายิ่งตายเร็วไม่ภาวานาก็ตายเร็วๆนี่ ต้องตั้งใจขึ้นมาดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ในใจเดี๋ยวนี้เวลานี้มันโยในร่างกายนี้รู้ที่ไหนรวมใจของเราลงไปที่นั่นให้สงบระงับนั่งสมาธิเหน่วยก็เดินจมกอมกลับไปกลับมาพูดโทในใจให้ใจมันตั้งเบิกบานโยภายใน อย่าให้ใจมันเป็นเจ้าทุกข์เจ้าอยากลำบากลำคาญหน้าหิ้วคิ้วกระหมดคือว่าไม่ตั้งใจละถอนกิเลสในหัวใจของตัวโมโหทอสอฟุ้งซ่านกรอดให้คนโน้นกรอดให้คน น, น, ค น, นี้วุ่นวายไปหมดตั้งใจขึ้นมาในใจรวบรวมกําลังใจให้มันสามารถอาฐาน พระพุทธเจ้าพระองค์สา ม, มารถอาถรรพพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายสา ม, มารถอาถารสาวกของพระพุทธเจ้าสมัยครังพุทธกาลญาติโยมนุ่งดานุ่งอะไรก็ตามผมยาวผมสั้นอะไรก็เหมือนกันมันตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาได้ทั้งนั้นท่านไม่ขี้เกียจเหมือนเรา เรามันเป็นคนขี้เกียรติมักง่ายทำอะไรนิดๆหน่อยๆมันยังไม่พอเป็นมักเป็นผลก็ไปท่อแท้อ่อนแอความเพียรมันเอาไปไว้ที่ไหนความอดความทนไปไหว้ที่ไหนสติปัญญามันเอาไปไหว้ที่ไหนกินเข้าผ่าหัวใจทุกวันทำไมมันไม่กล้าหารหัวใจนี้ เตือนใจของตนเข้าไปรวมกำลังตั้งมั่นขึ้นมาต้องรวบเรารวมกำลังถึงที่ถึงขีดสูงสุดพระพุทธเจา้าเราฟังแต่สำเนียงเสียงภาษาว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสโลพระอนุตตรสัมมาสัมโพธียานใต้ควงไม่โผอันนี้มันคาพูดดวงใจของพระพุทธเจ้าขนาดไหนในเวลานั้นจึงตัดได้ละได้โดยที่เวลาท่านนั่งขัดสมาธิเพชรนั่งภาวนาแล้วท่านตั้งสัจจะอธิฐานใจลงไป วันนั่งสมาธิภาวานาครั้งนี้เนะี่ยแมเลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีจะไม่ลุกจากที่นี้ถ้าไม่ได้ตรัสสลูกเป็นพระพุทธเจา้าคือพระองค์เอาตายสู้ยอมสู้ตายทีเดียวถ้าไม่ได้ตรัสสลูกนั่งภาวานาเอาจนมันตายแห้ง นำใจของท่านมันเด็ดเดียวขนาดไหนแม่สาวกทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาในสมัยโน้นท่านก็เด็ดเดียวเหมือนกันท่านไม่ขี้เศร้าเหงานอนเหมือนพวกเราท่านไม่โลเลในการกินการนอนสนุกเฮฮาท่านภาวนาลูกเดียว ตั้งใจอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนพุโทโธในใจพุโทโธธรรมโมสังโฆท่านนึกเป็นพื้นฐานอยู่ตลอดเวลาแล้วท่านก็ประกอบกระทำทานศีลภาวนาให้บริบูรณ์ขึ้นมาในหัวใจทั้งกายวาจาจิตทั้งภายนอกและภายใน นำใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายนะัภาวานาละกิเลสพวกเราแล้วว่าภาวานาเอากิเลสเอาไปที่ไหนเอาไปแกงกินเป็นไหมทำไมตึงมาหลงในกิเลสราคะโทสะโมหะไม่จบไม่สิน้นยกจิตใจขึ้นมาตั้งใจบริกรรมภาวานาขึ้นมา ร่างกายสังขารอันเป็นที่หลงของจิตอวิชชาตันหานี้ต้องกำหนดพิจารณาอัฐิกังกระดูกสามร้อยทอนเนื้อหนังมังสังเส้นเอ็นกระดูกตับไตไส้พงุงน้ำเลือดน้ำเหลืองเต็มตัวอยู่ทำไมไม่โดูร่างกายของตัวเองไปโดนร่างกายคนอื่นทำไม ดูกายของเราตัวเดียวเนี่ยฮะมันทั่วถึงโลกกายลกจิตของเราดีกว่าที่ไปรล้กายรล้จิตคนอื่นรวมกำลังตั้งมั่นขึ้นมาในหัวใจนี่แหละเราท่านทั้งหลายการปฏิบัติธรรมะคำสอนในทางพุทธศาสนานี้เราจะต้องตั้งใจให้เต็มที่เรียกว่าสุดแรงเกิด จึงจะเข้าใจหรือว่าเลยหนองหมาตายจึงจะเข้าใจถ้าเรามาจะมาย่อยอนทอดถอยเล็กๆน้อยๆอยู่อย่างนี้แล้วตายเหี้ยอยู่ในโลกนไปไหนไม่ได้พุทโทพ ร, ระพุทธเจา้าข้ามพน้นการมาพบลูกประพบอารูประพบถึงนิพพาน ทำไมพระองค์ข้ามได้พระองค์ภาวนาจิตใจของพระองค์ตั้งมัน่นพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธตาลไม่ว่าหญิงชายคฤือหัดบันพระชิตท่านข้ามได้ทั้งนั้นท่านละท่านวางิได้ทั้งนั้น ดัง น, นั้นเราทุกคนก็ตั้งแต่วันนี้เวลานี้เป็นต้นไปให้ฝากกันตั้งใจขึ้นมาทุกลมหายใจเข้าออกอย่าได้ประมาทเนกให้เห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออกให้ได้มันตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกอย่าได้ประมาท ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลชนีสปิตโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวัน ต, ตรายโยสุกิตีขายุโกภะวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุ ธ, ธาปจายโนจตารโธรรมาวัทันติ อายุวันโสโคขังผาลัง